ตอนเมื่อาวานครับเมื่อวานนี้มาถึงหน้าสามสิบสามมาถึงเรื่องอะไรเนะยอาวัตถุวัตถุครคือสุคคนผู้ประสงค์จะบวกก็พูดถึงอัาขระบุคคลบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์ควรที่จะรรลมองผลิตภัณฑ์เป็นผู้ห้ามบวกมีบรรดาศักเป็นต้นได้อธิบายมาแล้วตามดับนะครับ บันดอกคนลอกแค้ใช่ไหมผู้ข้อเดียผู้ข้าเดียดอยือดสีผู้เดสาผู้ข้าันดามีดาผู้ข้า พ, าะา ร, พระาหันนะครับผู้พรทุษรายผนีถึงเนี่ยนะอันหน่หน้าสานสามนครับก็เสขึ้นต่อไปนะครับไปบุคคลใดแสดงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ผิดคำผิดวินัยทำลายสง ด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดากรรสี่อย่างเหมือนอย่างท่านเทวท่านบุคคลนี้ชื่อว่าผูออ้ทําลายสองก็คือผูท้ทําลายสองเนี่ยท่านบอกว่าแสดงคำงสอนนะครับให้ผิดธรรมผิดวินัยก็คืออ้างวัตถุเขาจเรียกเพรท่างการละวัตถุวัตถุที่สร้างความแตกแยกครับทำให้แตกแยกกั น, น, น, กนมีแต่อ้างว่าอ้างสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรม สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมอ้างสิ่งที่เป็นวินัยไม่ใช่วินัยข้อข้อที่อ่านเรียกว่าวัตถุนะครับภาษทวัตถุกก็คือเรื่องที่เข้ามาอ่างนะครับสิ่งที่เป็นธรรมเป็วินัยก็กลับว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมวินัยเขาบอกว่าเป็นความวินัยครับเป็นต้นนะจะมีอยู่สิบแปดข้อด้วยกันนะครับอย่างที่พระเทวทัตแสดงว่าถุห้าประการนะครับแสดงว่าถุห้าประการนะแอมพิพเจ้าทรสงยานะครับ มีมีอะไรนะให้อยู่ป่าเป็นวัดหลวงเป็นต้นนะครับให้อยู่ป่าตลอดชีวิตนะครับซึ็นพระเจ้าเมืมาขออนุญาแตแกก็มีการแสวงหาผ่้พ่พวกนะว่าชิ่งที่ตัวเองแสดงเนี่ยเป็นสิตที่ถูกต้องตามครรมทามนที่ไหนแสวงหาผู้หาพ่วแล้วก็จนได้เป็นผู้พ่วกใช่ไหมแต่เป็นสองฝักของฝ่ายนะครับแค่นี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทาลายสงฆ์ทางของกัปเพชรกันยังไม่สําเร็จ จะเชื่อว่าทําลายสงของเหลตตอนไหนตอนที่สามารถทําให้สงสองฝ่ายนะแยกกันทําิลปกรรมในสีมาอยู่กันได้นะครับคือมันต้องมีสงนะทั้งสองฝ่ายตัวเองใช้มันแตกกันนะครับต้องมีข้อมองสมคือแต่ละฝ่ายอย่างน้อยต้องมีแต่สีรูปนะครับสีรูปตัวรูปที่กล้าที่เป็นคนทําให้สงสองฝ่ายแตกแยกกันนะแล้ว้อง สองฝ่ายรอบการทั้งสอนไม่ก็แตกแยกก็ก็แตกกันแต่ไม่ยังไม่ชื่อว่าพลวยตสองที่นี้นะก็เมื่อสสองฝ่ายเนี่ยสามารถใช้ใจเป็นสองข้างองพวกนะแล้วก็มาทำศัลยกรรมแยกกันในสีมาเดียวกันนะครับก็สมัยก่อนพิธีท่านผมสีมากว้า็ผมว่าท้งวันนะครับทั้งที่ในสีมาเนี่ยเวลาจะทํากรรมที่อสองของทั้งหมดต้องเข้าสถาบันที่ไม่นํามาเข้าสถบันก็ต้องมอบฉันทะ ทำคำร่วมกันนะครับแต่นี่พอคนนี้เขาทาไม่แตกกันแล้วเนะี่ยมาทําให้สงฆ์ทำกรรมแยกกัยนะท่านก็เลยบอกว่าทําลายสงฆ์ด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งรรากรรมสี่ก็สังกัดกรรมสี่แหละมีอปโลกนนทกรรมนะครับยติกรรมยติปิยกรรมยติจุทธกรร ม, ม, รรมนะทำเป็นสงฆ์ทำสงกกรรมสี่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแยกกัในในสี่มาอยู่ตา่างเนะี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรียกชื่ว่า ผู้ทรมายโศกก็เหมือนพระเทวทัตนะก็มีอ mm ัะโลกนากรรมนะนยสิบกรรมยสิยสิคือปิยกรรมยสิบเจรษกรรมที่เป็นเรืงกรรมทำให้แย่กันทาไมต้องกล้าแปลไม่ได้แปลไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยไม่นับลูกนั้นครับ ไม่น้ำครับเพราะว่าชั่วทําทลายสมัยแตกทั้งกันคือต้องมีทําลายสองฝ่ายยังไ้แ่แตกแยกกันครับโดยถือเป็นคนที่ทําลายนะไม่นำ้ำครับถ้าไม่ครบล่ะฝ่ายนี้มีสี่ฝ่ายนี่มีสามโดยเป็นคนอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับนี่เขาไม่เรียกว่าทำสงครามเพศแต่เรียกว่าสังฆราชีครับสงครามลายนะ ก็เป็นสองพั้วเต็มไม่ถึงสกัดเพศแต่ถ้าตั้งแต่สี่รูปเนี่ยขึ้นไปถึงยี่สิบสามรูปก็แล้วแต่นะครับแต่มีสองขวเตือเพื่ผู้ยุ่แย่นะอยู่ในฝ่ายในไฟา์ไหนนี่ละครั้งแข็งกันด้อ๋อต้องเก้ารูปท่านอาจารย์ในวันนั้นจะมีเขาต้องมีที่สูงอย่างน้อยเก้าูป เคย ม, มีรูปหนึ่งที่เป็นคนยุเยแย่ที่แม่แต่กันนะครับรูปนีก<อ>น้ก็สีครับที่นะเป็นสีใช่ครับเก้ามีคนใช่ใช่ครับแล้วก็มาทำส ง, ง, งกรามใหญ่กันในสีมาเหมือนกันครับนคะื่เป็นสกอเทกนะครับขอโกผูกกันนะถ้าสมมติว่า24รูปแรกนะก็ทำกันไปก็ทำต่างรูประกันตงรูป แต่ฝั่งนี้มีแค่สามลูกครับนันก็เลยมาช่วยอีกรูปหนึ่งครับร่ปนี้มาช่วยอีกรูปนี้แพ่พศงก็ทำอะไรก็ได้ครับลดรแดับการเมืองที่เราทำทนี้ได้ทำอยไรบ้างอ๋อทำอุปกรณ์ทีใช่หมคะใครับให้สายที้ทาก่อนอย่างนี้ยังไม่เป็นนะครับยังไม่เป็นครับคือท่านได้ทำโครงการเรื่องการแต่ว่าท่านไปร่วมกับเสมาื่ อ๋ออันนั้นก็ไม่ไม่ไม่ยืดทำสุนทรเพท น, นะไม่ถึงภพอันนี้เอาตองเข้าไปในสีมาแล้วก็ทำกรรมแยกลำตอนนั้นเลยแต่เพราะว่าในสีมาที่ว่าเราสีมาแคบแคบ่ไหมครับฝ่ายนี้เข้าไปทํากรรมก่อนอีกฝ่ายนี้ไม่เขา้าก็อยู่ข้างนอกแหละหรือว่าแยกไปทําสุนทรกรรมต่างหานอกสีมานะ่ะไปสีมาธรรมาชาติแม่น้ำรทะเลนี่ใช่ไหมครับยังคงไม่ชื่อว่าทำสกนทรภพอันอเช่นพิสุทธชามังโกสมคีตอนนึ่แตกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายนะ พวกที่เป็นพวกพระวินัยทอน่ะก็ทำสัลยกรรมอยู่ในวัด น, นะร<ม>ส่วนพิสุทธิธรรมกัจฉิกเนี่ยก็ไปทำการมานอกวัด น, นะ<ม>ในสีมานอกวัดก็ไม่ได้เชื่อถ่อกราเพร์นะรับอันนี้ก็กผ่านนะบางคนไ่ทาลายสงฆ์ก็เป็นคนห้ามบวช อ, อะครับูดไม่ได้แล้วอง่ที่แบบไหนทำสีมาแบบไหนที่ว่าเปนคนคนคนละพวกก็อยู่ในวัดเดียวกันแต่ครับคนละมา อ, อ๋าอในสีมาเดียกัน แต่แยกกันทำแต่งนไม่ยอมทาร่วมกันเพราะว่าคนนี้ไปยุ่งแย่งให้แตกกันนครับมาสี่รูปมาสีรูปเข้าอย่างน้อยครับของมาสี่รูปครับความจริงเราจะไปเจรเียดทีนะั่นซึ่งจะละลเอียดกว่า น, นี้นะครับในสังฆาพิเศษข้อที่อะไรนะทํำสอให้แตกกันในข้อนั้นจากที่บาลวิตรีนะครับนี่ข้าวข้าวไมรู้เรื่องต่อไปนะครับ อันนี้นะได้แล้วนะครับพูดทำรานสองห้าบัวเม่บัวแล้วก็ต้องให้สึกไปนะครับบุคคลใดมีจิตชั่วร้ายมีจิตคิดจะฆ่าทำพระโลหิตในสติร่างของพระตถาคตเจ้าผู้ยังทรงเระชนอยู่ให้ห่อขึ้นเพียงพอแก่การดื่มของมะแงวันตัวเล็กๆก็คือมะรงหีนะบุคคลนี้ชื่อว่าผู้ทำโลหิตุบะตนเนื้อความชัาแน่นครับเหมือนกับที่พระเทวทัต น, นะ ที่จะฟงพระสนุกพระเจ้าใชครับก็ขึ้นบนภูเขานะแล้วก็พระเจ้าเสด็จลงข้างล<อ>่างใช่ครับก็กิ้งศิลาลงมาไมาใ้ให้ศิลาหินก้อนใหญ่เนี่ยไปทับพระเจ้ า, ตาแต่ว่ามีหินก้อนหนึ่งที่โผล่ขึ้นมายู่อย่มานะครับไปล็อกหินก้อนนั้นไว้นะทำให้หินนั้นมันกันไปกระแทกหินก้อนนั้นให้กระเด็นไปนะครับแต่มีสเศษหินน่ะที่มากระเด็นโดนพระบ า, าทาพระเจ้าทำให้หอกเขาลุกินเนี่ยพระเท ว, วทนตก็ได้ชคิดว่าทำ เราปัจจุบันทำด้จ้าจห้องผลิตนะครับอย่างนี้นะคนนี้ก็เป็นผู้ทำงานสถาปัตยกรรมนะครับไปตกนรกแน่นอนนะก็เป็นคนห้ามบุญบุญไม่ได้ครับต่อไปบุคคลใดมีสองเพศท่านเรียกว่าอุปโตเพ ย, ยนชนกะแปลว่าคนสองเพศเพราะอํานาจกรรมที่ทําให้เกิดเพศหญิงและกรรมที่ทาให้เกิดเพศชายคนนี้ชื่อว่าอุปโตเพ ย, ยนชนกคนสองเพศ ไปคนสองเพศเนี่ยอก็มีมีสองประเภทนะครับ mm. เขาจะเรียกว่าอิฐผิวพระโตเพียนชนกและก็ปุริสาวพระโตเพตียนชนกถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงที่สองเพศหรือผู้ชายสองเพศก็แล้วแต่ เ, เช่นเป็นผู้หญิงสองเพศนะครับธรรมดานะตามปกตินะเขาก็จะมีเพศหญิงแหละเวลาเกิดความกำหนัดพอใจในผู้ชาย mm. ก็จะมีเพศหญิงแหละครับ เพศชายก็เป็นของที่ซ่อนเล่นอยู่และไมันปากฏนะครับแต่ในเวลาใดเกิดความกําหนัดในผู้หญิงด้วยกันนะครับเวลานั้ น, นเพศชายก็จะปากฏเพศหญิงก็จะซ่อนเล่นไปนะครับเนี่ยแปงกเหมือนกันนะเรื่องหน้ากรรมที่เขาได้ทาไว้นะครับใช้เป็นหนึ่งแม้ผู้ชายที่เติมพระโตเพียชนนอกเหมือนกันธรรมดาก็จะมีเพศชายถ้ากําหนัดในผู้หญิงก็มอเพศชายแหะแต่เวลาใดเกิดกําหนัดในผู้ชายด้วยกันที่มันนะเวลานั้นนะ เพศชายก็ซ่อนเลเพศหญิงก็จะปาคนขึ้นมาเปลี่ยนแต่ตัวเพศเท่านั้นใช่ไหมครับย่อมไม่แน่ใจแต่ที่ใครรู้ก็คือไอเพนะ่น่ะนิมิตลิงค์าอะไรสัมพานธ์นต่างๆใช่ไหมครับมันจะคอยตามลูกพาวะถ้าพาวะรูปเป็นของผู้ชายมันก็จะทราบเป็นของผู้ชายถ้าพาวะรูปเป็นของผู้หญิงก็จะทราบเป็นของผู้หญิงแต่ น, นี่มันก็ทำให้รู้สึกแปลกข้า เ้าลูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเป็นยังไงทีนี้ครับ <c oughs> หรือว่าเท้าอันนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นสายหน้ากรรมครับถ้าลองไปดูหน้าในอพิธรรมนะครับไปดูในพิธามปริเสธที่ไหนนะครับก็จะเพี่ยนที่นอกเลยหน้าเด็กมารปริเสธที่ห้าไม่ห้าก็หลองดูอันนไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลึกขนาดนั้นนะครับเนี่ยถืว่าเปลี่ยน ทีนี้อุปตัวเพียนชโนกัผู้หิงผู้ชายจะต่างกันยังไงท่าบอกว่าถ้าเป็นอุปตัวเพียนชโนผู้หญิงเนี่ยตั้งครันก็ได้ทำให้คนอื่นตั้งคันก็ได้นะถ้าเป็นผู้ชายอุปตัวเพียนชโนกเนี่ยทำให้คนอืนตั้งครันนั่นอย่างเดียวตัวตั้งครันไม่ได้เพราะว่าของเดิมตัวเองเป็นผู้ชายนะมีความต่างกันต่อไปครับบุคคลอันนี้ก็ห้ามบวรบวชไม่ได้นะคนนี้คนสองเพศ แต่ที่สมัยนี้ก็คือมันไม่ได้ซ่อนแร้นเห่ืงนั้นนะบุคคลอ่ะมีทั้งสองเพศในบุคคลเรียนกันใช่ไหมครับที่มีได้นะออกข่าวสอกแต่ละคดีอะไรก็นั้วแต่ที่ใครใครดึงกนั่นนะคือใจมารู้นี่ไแต่นี่นไม่ใช่เหมือนกันนะมันจะมีการซ่อนแรนแล้วก็ปรากฏขึออ้นมาตามที่ว่า อ, ะอ่ะบุคคลทั้งสิบสามจำพวกทั้งไม่ได้กล่าวมานี้ไม่จะเป็นวัตถุสมบัติในการบูค เนี่ยต้องต้องสอบสวนสอบถามต้องถามกันนะถ้าเราไม่รู้ทีหลังมารู้ทีหลังเขาบวแนแล้นอ่ะก็ต้องสําเสรึจไปขอพวกนี้เขาบวชไม่ขึ้นยังไงต้องเสร็จไปนะเพราะจำได้นะในในเรื่อง่ในบริเชษห้านะครับที่พูดถึงปฏิสนธิของสัน์นะพวกนี้เป็นเป็นอหิกฐรมปฏิสนธินนครับ อันนี้นะครับเมื่อมีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลจุดสามจํพวกเหล่านี้ประสงค์จักรวากรรมคือการประสมบทย่อมไม่เสียไปเพราะสมบูรณ์ด้วยวัตถุสมบัติครองไปอัปโดได้บวชได้ครับหมายเห็นว่านอกจากสามจําพวกนี้นะจุดสามจําพวกนี้บวชไม่ได้ไม่สิ้นนะครับแต่ถ้านอกจากนี้แล้วก็บวชได้ครับนต่อไปนะครับอันนี้จบนะครับเกี่ยวกับวัตถุสมบัตินะ บุคคลัวจะบวช